มีมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งมีชื่อมากมเสียช่่ยเป็นนานแล้วชื่อแมรี่คูรีเคยพูดว่าอย่างน่าฟังว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือเรากลัวเพราะเราไม่รู้ เราไม่เข้าใจแต่เมื่อเราเข้าใจเรารู้เราเกิดปัญญามันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปอันนี้ก็สอดคล้องกับที่พระเจ้าตรัสเรื่องอริยสัจสีหรือว่ากิจที่เกี่ยวกับอริยสัจ อุเกสัวนี่เราก็รู้จักกันดีนะทุกสมุทัยมิโรธมักแต่ว่าที่จริงยังมีทำอีกหมวดหนึ่งเรียกว่ากิจต่ออริยสัตว์หมายถึงว่าแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอนั้นเนี่ยเราควรมีท่าทีหรือว่าควรปฏิบัติต่อความจริงในแต่ละเรื่องอย่างไรอย่างเช่นทุกเนี่ย สิ่งที่ควรทำก็คือรู้ทุกข์นะไม่ใช่ละทุกข์สิ่งที่ต้องละก็คือสมุทยัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ทุกข์นี้นะไม่ใช่สิ่งที่ควรละบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไปเข้าใจว่าพอเจอทุกข์ทีไรนี้มันต้องต้องละ จึงถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นี่ก็จะทำให้เป็นไปมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธมันปฏิเสธทุกหรือว่าไปกดข่มความทุกข์เอาไว้โดยที่ไม่ได้จัดการกับตัวสมุทยัยสมุทัยคือสาเหตุของทุกเนี่ยคือสิ่งที่ต้องล ะ, ละทุกนี้มันละไม่ได้ถ้าไม่ไปจัดการกับสมุทยัยแต่เราจะจัดการกับสมุทัยได้เราก็ต้องรู้จักสมุทยัยคือสาเหตุของมัน เราจะรู้จักได้ก็ต้องรู้จักทุกก่อนหรือต้องเผชิญหน้ากับมันเมื่อเผชิญหน้ากับทุกข์เข้าใจทุกข์ก็จะส า, สามารถสาวหาเหตุแห่งทุกข์ได้ความตายนี่ก็เป็นเป็นก็ถือว่าเป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะนะเป็นความทุกข์เป็นทุกข์นะแต่ไม่ใช่ความทุกข์นะเป็นทุกข์ในเนีที่ว่ามัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่เกิดด้วยอำนาจของการบีบคั้นแตกดับของปัจจัยต่างๆซึ่งมันก็มีตัวมันเองใ น, ในทนะที่เป็นสังขารชีวิตใ น, ใ น, นานะที่เป็นสังขารเนี่ยก็เช่นเดียวกับต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินก็คือว่าถูกบีบคั้นนะ ดือเหตุปัจจัยต่างๆแต่ว่าที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าเราเกิดความความกลัวขึ้นมาหรือเกิดความติดยึดขึ้นมามันก็เลยเกิดสิ่งที่มาบีบคั้นจิตใจอันนี้ความความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจแต่การที่จะเข้าใจความตายได้ก็ต้อง ก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจทุกข์อื่นๆด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันนี่การรู้ทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์นี่ก็มีความหมายหลายระดับนะระดับแรกก็จะหมายถึงการรู้ในเชิงสติปัญญา มายถึงว่าเออรู้นะว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์รู้จักการที่มีคนมาสอนมาบอกรู้จากการอ่านเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะความโศกความร่ำไรลาพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคร้าแท้นใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือว่าพัดพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่เราก็เป็นทุกข์อันนี้นี่เราคงจำได้ดีเพราะว่าเราเป็นบทสวดทุกครั้งที่เราทำวัดเช้าอันนี้เป็นเป็นเป็นการรู้ทุกข์ในแง่ของอการจำได้ก็คือใช้ความคิดเอา รึกลงไปกว่า น, นั้นนะก็หมายถึงการรู้ทุกว่าเกิดขึ้นกับใจรู้ทุกครั้งที่มันเกิดกับใจอันนี้ก็ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าคนเราเวลาโกรธเวลาโมโหเวลาเศร้าโศกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่ากำลังเศร้ากำลังโศกกำลังโกรธ เพราะว่าถ้ารู้ตัวแล้วมันเกิดไม่ได้แต่เพราะไม่รู้นั่นแหละมันถึงเกิดขึ้นมาในใจเรียกว่าเฉวยโอกาสฉลยโอกาสเข้ามาคลองจิตคลองใจเมื่อมาคลองจิตคลองใจแล้วเราก็ยังไม่รู้อีกก็เลยจมดิ่งไปในความความทุกนั้นโกรธก็โกรธจัดคิดแต่จะหาค้นทางแก้แค้นเศร้าโศกก็จมอยู่ความเศร้ากลดา จะตากรรมว่าทำไมถึงทำให้เราเป็นอย่างนี้นั่นใจมันไม่ว่างพอที่จะมารู้ตัวว่ากำลังโศกกำลังโกรธต่อเมื่อต่อเมื่อมีสตินั่นแหละก็จะรู้ตัวว่าโอ้ฉันโกรธให้ลองสังเกต ด, ดูแล้วคนที่กำลังเครียดเนี่ย มีคนมาทักว่านี่เธอเครียดจังเลยหลายคนก็จะปฏิเสธว่าฉันไม่เครียดเวลามีคนมาทักว่าโกรธนะเนี่ยบางทีก็ยังปฏิเสธว่าไม่โกรธแต่พอถูกทักมากขึ้นก็ก็จะโมโหขึ้นมาว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธจะมามาทักอยู่ว่าโกรธคำพูดว่าพูดไม่โกรธแต่อาการที่แสดงออกมันโกรธแต่เจ้าตัวก็ไม่รู้เมื่อคนบ้าน แล้วก็ไม่ยอมไปติเตียว่าตัวเองบ้าก็ไม่ยอมเล่าตัวเองบ้าบางทีไม่รู้ด้วยเมาก็ไม่รู้ว่าเมาอันนี้เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวโดวยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้ น, นกับใจถ้าเป็นทุกข์ที่เกิดกับกายก็ยังรู้อยู่ แต่บางทีก็ไม่รู้นะอย่างคนที่โครงสร้างร่างกายผิดไปเนี่ยที่โครงสร้างร่างกายผิดไปเพราะว่าเขาเขาอยู่ในท่าที่มันผิดปกติมานานจนกระทั่งไปคิดว่าไอ้ท่าที่ปกตินั่นแหละคือคือปกติไม่รู้ว่าตัวนี้ลังไปอีกข้างหนึ่งเวลา ยืนก็ตัวเอียงก็ไม่รู้ว่าตัวเอียงทั้งๆ ท, ที่มันเครียดทั้งๆ ท, ที่มันทุกข์อยูนะ่แต่ก็ไม่รู้อันนี้เรีว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ทุกข์นะในอีกระดับหนึ่งแน่นอนถ้าถามว่าทุกข์คืออะไรเขาก็ตอบได้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับตัวเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับใจก็ไม่รู้ทัน รู้ทุกยังหมายถึงความความเข้าใจว่าโอ้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของชีวิตไม่ใช่รู้จากการคิดแต่ว่ามันประจักษ์ใจประจักษ์ก่ใจจริงๆอย่างที่นางกีสาวโกตมีเนี่ยซึ่งเราคงทราบดีว่าเธอได้เสียลูกน้อยไปในสมัยพุทธกาลก็ไม่ยอมรับความตายของลูกยังคิดว่าลูกจะฟื้น ก็อุตส่าห์ผอบผิวล่างของลูกเนี่ยไปหาใครต่อใครเพื่อให้ช่วยปลุกให้ฟื้นขึ้นมาคือโดยความคิดอาจจะอาจจะอาจจะรู้ว่าลูกตายแต่ว่าใจมันรับไม่ได้ปฏิเสธปฏิเสธความจริงที่อยู่ตอนหน้าแล้วก็เลยดินลนหาคนที่จะมาช่วยชุบชีตลูกให้ฟื้น จนกระทั่งมีคนแน่ให้มาหาพระพุทธเจ้าพระพุธองค์เมื่อเจอคนที่อยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างนี้พระองค์ก็รู้ดีว่าสอนไปแสดงธรรมไปกไม็มีประโยชน์เพราะใจเขาไม่ฟังใจเขาท่วมทนด้วยอารมณ์ความโศกเศร้าและการปฏิเสธความจรงิงพระองค์ก็มีอุบายแน่ให้ ปให้ไปรู้จักความทุกข์รู้จักความจริงด้วยตัวเองเลยเอธิบายว่ามียารักษาแต่ว่าต้องไปหาเม็ดผกกาศที่มาจากบ้านที่ไม่มีคนตายขนางก็ดีใจก็ไปหาหาหาแต่ทุกบ้านนั้นเนี่ยแม้จะมีเม็ดปรกกาศแต่ก็มีคนตายทั้งนั้น ตายที่บ้านเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ทําให้ตายที่บ้านแต่ว่าก็มีญาติมีลูกมีพ่อมีแม่ที่ตายทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มเริ่มเข้าใจว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเพราะว่าไม่ใช่เธอท่านที่สูญเสียลูกไม่ใช่ลูกของเธอท่านที่ตายคนอื่นเขาก็สูญเสียคนรักทุกคนก็ต้องตายกันทั้งนั้น อันนี้ก็เกิดความเข้าใจยอมรับได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพมีคนช่วยแบ่งปันอีกส่วนนึ้งเกิดจากการที่รับรู้ว่าเมื่อเราไม่ได้ทุกคนเดียวคหนหนึ่งก็ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกก็บรนเทาใจก็เริ่มเปิดยอมรับความจริงได้เหมือนกับเทน้ำออกจากถ้วยแล้วแต่ก่อนถ้วยนัมันเต็ม มันท่วมทนด้วยอารมณ์พอเทน้าออกกับถ้วยก็สามารถที่จะรับน้ำใหม่ได้ก็คือรับความจริงว่าความตายเป็นธรรมดาความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอันนี้ก็เป็นการเป็นการรู้ทุกข์ในความหมายหนึ่งคือคือรู้ว่าทุกข์มันเป็นธรรมดาของชีวิตทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ จะหนีไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดกับเราคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะหนีพ้นได้ก็ทำให้ใจอยอมรับความจริงได้เมื่อใจยอมรับความจริงเข้าใจความความเศร้าความโศกก็คลายไปนในอี ก, อ, กอีกความหมายหนึ่งของความรู้ทุกข์เนี่ยก็หมายถึงว่าเวลามันเกิดเวลามันเกิดกับตนเนี่ย ก็รู้ว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราทุกข์นะมันเป็นกายและใจหรือมันเป็นรูปหรือนามที่ทุกข์ในตรงนี้เนี่ยมันมันละเอียดเข้าไปหน่อยเพราะคนเราเนี่ยเวลาเวลารูเา้เวลารู้ว่าทุกข์เนี่ยรู้ว่าตัวทุกข์เนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่าฉันทุกข์อยู่แต่ที่จริงไอ้ที่ทุกข์จริงๆเนี่ยมันคือ กายหรือไม่ก็ใจมันคือรูปหรือไม่ก็นามแต่พาอไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยไปเอาความทุกข์ของรูปหรือนามมาเป็นความทุกข์ของฉันไปช่วยเอาความทุกข์ที่เกิดกับรูปหรือนามนี่มาเป็นของฉันอันนี้เรียกว่าเป็นการหาเรื่องแท้แทหาเรื่องเพราะไม่รู้พาอไม่เห็น ตรงนี้เนี่ยการเห็นว่าทุกข์มันเกิดกับกายกับหรือใจเนี่ยมันสำคัญมากเป็นเพราะไม่เห็นเป็นเพราะไม่รู้ก็เลยไปฉวยเอามาเป็นของฉันผลคืออะไรก็ปวดครวรครางทุรนทุรายแล้วก็ปวงแต่งต่อไปโทษโลกโทษชะตากรรมหรือคิดเคียดแค้น ต่างๆนา น, นาทำไงเราถึงจะเห็นหรือจะรู้ได้ว่าทุกที่เกิดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกแต่มันเป็นทุกที่เกิดกับรูปแลนามเกิดกับกายหรือใจก็ต้องมีสติเพราะถ้าไม่มีสติทีไรเนี่ยจิตมันก็จะเข้าไป เข้าไปเรียกว่าผูดง่ายๆเข้าไปเป็นหรือเข้าไปช่วยเอาความทุกข์เรานั้นมาเป็นของอมันจะปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาแล้วแล้วตัวกูเนี่แเราก็ไปแล้วก็ไปช่ ว, ปวยเอามาเป็นความทุกข์เป็นของกูไปเป็นของฉันไป อย่างที่ได้พูดกันเมื่อวานว่าจริงๆไอ้ตัวไอ้ ต, อตัวฉันตัวอัตตานี่มันไม่มีจริงตัวตัวเราตัวกูตัวฉันมันไม่มีจริงมันเกิดจากการปรุงแต่งแล้วมันปรุงแต่งขึ้นมาได้ไงมันปรุงแต่งก็เพราะมันไม่รู้ไม่รู้นี่ก็เป็นอวิชาแต่ว่าในในขอยสังเกตว่าไอ้ เ, อเวลา ช่วงขณะที่มันเกิดตัวฉันตัวกูอยู่บ่อยๆคือช่วงที่เกิดผัสสะเมื่อใดก็ตามที่เกิดผัสสะคือตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมาเกิดความเกิดตัวกูมาเป็นผู้รับรู้ผัสสะนั้นไม่ใช่แค่เห็นแต่ว่ามีผู้เห็นไม่ใช่แค่ได้ยินแต่มีผู้ได้ยินด้วย ไห้ตรงนี้เกิดขึ้นได้เพลาก็เพราะว่ามีเพราะไม่มีสติไม่มีสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงปรุงตัวกูขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ยากที่จะมีสติรู้นะแต่ว่าตอนที่มันพอมีผัสสะแล้วเกิดเวทนาตามมาสุขหรือทุกข์ก็ตามเนี่ยก็ยังไม่มีสติที่จะที่จะเห็นเวทนานั้นนะเพราะฉะนั้น จึงกลายเป็นผู้เจ็บผู้ปวดหรือผู้สุขผู้สบายนะแล้วก็เลยอยากจะสบายมากขึ้นอยากจะครอบอยากจะครองภาวะนั้นมากขึ้นมันก็ปรุงไปเป็นตัญหาอุปทานภพชาติหรือแม้แต่เวททุกเวทนาที่ไม่ชอบเมื่อเกิดทุกเวทนาก็ เปรุงเป็นความชังขึ้นพอชังก็อยากจะผลักให้พ้นอยากจะผลักให้ไกลอยากจะกดขม่มอยากจะหนีก็เป็นต้นไายแบบหนึ่งแล้วก็ยิ่งหมกมุ่นคุ้นทิศกันมันมากขึ้นมันก็เป็นอุบัติทานแล้วก็ปรุงไปเป็นภพชาติอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าหลายท่านก็ได้ศึกษามาแต่ประเด็นคือตรงนี้คือว่า ้ความไม่มีเมื่อไม่มีสติเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นทุกตามที่เป็นจริงไม่สามารถที่จะเห็นว่าทุกนี่มันเป็นของรูปมันเป็นของนามมันเกิดกับรูปมันเกิดกับน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เราทุกแต่การมีสติจะช่วยทำให้เราเห็นตรงนี้ได้ แต่ใหม่ๆมันก็คงไม่ไม่ใช่ว่าจะเห็นได้งนะ่ายๆการเจอสติก็คือการเป็นวิธีการที่จะทําให้เราได้เห็นเห็นความจริงตรงนี้นะเวลาเดินถ้ามีสตินะก็จะก็จะรู้ก็จะเห็นว่าเออไอที่เดินนี่ไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นรูปที่เดินที่เคลื่อนไปมาไอที่คิดนี่ไม่ใช่เราคิดนะแต่มันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในใจ ที่โกรธมันไม่ใช่เราโกรธน่าจะเป็นความโกรธเกิดขึ้นในใจความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ได้ไงก็รู้จักการที่มีสติเห็นแล้วก่อนไม่มีสติเห็นก็ไปยึดว่าฉันโกรธฉันโมโหฉันเศร้าฉันเครียดแลการเจริญสติคือการที่เพิ่มสมรรถนะในการรู้ให้มันละเอียด จนกระทั่งสามารถที่จะแยกแยะแยกแยะได้ว่าไอ้ที่ทุกข์นี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เราทุกข์กต่มันทุกข์ของรูปทุกข์ของนามหรือทุกข์ที่เกิดกับรูปทุกข์ที่เกิดกับนามนไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราเห็นมันเนี่ยเรารู้มันแล้วก็จะทําให้การสลัดความทุกข์ออกไป จากสิ่งที่เรียกว่าตัวกูเนี่ยนะมันเป็นไปได้ที่มันสลัดได้ก็เพราะว่ามันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแลตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยจะช่วยทำให้เนี่ยเราเราหลุดจากความทุกข์ที่เป็นความบีบคั้นทางจิตใจได้หรือว่าบรรเทาบาบางจากมัน คนเราเวลาเวลาเจอเจอทุกเนะเจอสิ่งที่ไม่ไม่น่าพอใจที่มากระทบมันไม่เป็นปัญหาตราบใดที่เรายอมรับมันตราบใดที่เรามีปัญญาที่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ มีปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับตัวเราของเราแต่เพราะไม่รู้ตรงนี้ที่ไม่รู้ตรงนี้ก็เพราะว่ามันมีความยึดติดตั้งแต่แรกว่ามีตัวเราของเราอยู่จต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเราเริ่มจากการที่มีสติเห็นนะ เป็นทุกถามที่เป็นจริงไอ้ทุกทั้งหลายทั้งทั้งปวนี่มันก็คลายความน่ากลัวน้อยลงแม้แต่ทุกขเวทนามันก็ไม่มีพิษสงมากถ้าหากว่าใจไม่ไปไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นในยามที่ ประสบกับความทุกข์ความบีบคั้นที่เกิดกับกายนะใจก็ยังสามารถที่สงบเย็นได้อย่างพระนางสามาวดีที่ที่ที่ถูกหลอกให้ให้มาติดอยู่ในอยู่ในประสาทแล้วก็ถูกวางเพลิง ไฟครอกจนตายพร้อมกับบริษัทบริวารอันนี้ก็เป็นเรื่องของอำาอิชาลิษยาที่ทำให้นางสาวมดีก็ถึงกับตายนั่นเอมดีก็เป็นมฮีสีพระเจ้าอุเทนก็ตายในกลองเพลิงก็ศพก็ไม่งดงามไม่น่าดูก็มีคนไปทูลถามผู้เจ้าว่า ทำไมคนดีอย่างนางต้องตายแบบนี้พระองค์ก็อธิบายแต่พระองค์ก็ได้ดพูดว่าการตายของนางนี่ไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าเพราะอะก็เพราะว่านางเราไปสับบริวารก็ได้เบลุธธรรมขั้นสูงตัวนางเองนี่ก็เป็นโสดาบันอยู่แล้วแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์นี้เข้าก็สามารถเขียนบลุธธรรม เป็นพานาคามีได้ส่วนบริษัทบริวารที่เป็นปุุ้ชนก็เป็นโสดาบ้างสกิทาบ้างเกิอดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านาที่ถูกไฟไฟเผาเนี่ยก็มีสติรู้นางก็เอาเวทนาเป็นอารมณ์แล้วก็บอกแนะนำบริษัทบริวารม ความจรกว่ามีถึงห้าที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นให้เอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาเวทนาเป็นอารมณ์หมาความว่าไงก็เอาทุกขเวทนานี่แหละพิจารณาคือมีสติรู้ดูคนธรรมดาเวลาเจอเหตุการณ์นี้ ม, ม, มันก็ไม่มีสติจิตมันก็เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ผู้ปวดแต่เมื่อถ้าตามที่มีสติจิตก็ออกมาดู ก็เห็นเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายโดยที่ใจนี่ไม่ไปทุกข์ด้วยและเวทนาที่เกิดขึ้นกับกับกายนี้ก็ได้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของของกายของสังขารน่ะพูดโดยรวมมเห็นจนกระทั่งนอกจากจะไม่ทุกข์ทรมาไปกับความกับเพลิงไฟที่เผาแล้วเนี่ยก็ยังเกิดปัญญาด้วย นั่ก็เลยหลุดพ้นหลุดพ้นจากสักยญิติินะันคือความถือว่ากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นเราแล้วถึงจะบรรลุปเป็นโสดาภิกธาได้นี่เพราะอำนาจของสตินะที่ทำให้รู้ทุกข์อย่างแท้จริงว่าไอ้ทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่ไฟไหม้นี่มันเป็น มันเป็นทุกข์ของกายนะมันไม่ใช่เป็นเราทุกข์ถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็ทรมานมากทุรนทุรายมากโอ้โสุดจะพันธนาแต่ผู้มีสติเนี่ยกาะที่กายกำลังถูกไฟไหม้เจ็บปวดนยะก็เห็นแลวโอ้กายนี่มันมันสังขารนี่มันเป็นทุกข์จริงๆแต่ว่าใจไม่ในทุกข์ด้วยเนะ่ยถึงเวลาก็ไปจิดก็ดับแตกดับไปตามธรรมชาติ เพราะถ้าเกิดเข้าใจอย่างนี้เนี่ยรู้ทุกแบบนี้เนี่ยนะก็จะทำให้สิ่งที่เร้ว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพระพเจสิ่งเป็นที่รักมันก็ไม่ทำให้ทุกได้หรือแม้แต่เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นกับกายก็จิตก็ไม่ทุกนี่ น, นี้เป็นเป็นเป็นเรื่องสำคัญนะ ว่าทำไงเราถึงจะรู้ทุกได้ก็จะเป็นต้องฝึกสติฝึกสติถึงขั้นเกิดปัญญาขึ้นมาสติเนี่ยมันทำให้เราเห็นไม่เข้าไปเป็นการเห็นอย่างเดียวนี่ก็สำคัญมาก การเห็นการรู้เวลามาเนี่ยมันจะมามาล่อมาหลอกมาคู่ให้พิกูุภพิกษจนี่นักปฏิบัติเกิดความท้อแท้เกิดความกลัวเกิดความตื่นตระหนกจนละการปฏิบัติมันก็จะมาหลอก มาหลอกในรูปลักษณะต่างๆเช่นเป็นเสือเป็นงูเป็นช้างหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวหรือมีคนมาชวนให้ศึกหาลาเพศไปทำหลายวิธีบางทีก็มาป่วนมาแผงลิดในท้องอย่างพระโมคคลานะก็โดนมารมาแผงลิดในท้องแต่วิธีหนึ่งที่ ท่านทั้งหลายเรานั้นได้ใช้และได้ผลมากก็คือการบอกมารให้รู้ว่าท่านเหล่านั้นได้รู้ทันอุบายของมารแล้วจะพูดทำนองว่ามารผู้ชั่วร้ายเรารู้จักเจ้าเจ้าอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักเจ้าเรารู้จักท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านนะพอรู้เช่นนี้นี่มารก็เสียใจ ว่าความรู้จักเราแล้วแล้วมานก็จะหนีไปเองอำนาจแห่งการรู้หรือรู้ทันนี่มันสำคัญมากไม่ต้องทำอะไรมากกว่าการรู้เพราะการรู้ก็ทำให้ไม่หลงกลัวไม่หลงปรุงแต่ง ความแก่ความเจบ็บความตายก็ถือว่าเป็นเป็นมารได้นะเรียกว่าขันธ์ธ ม, มานข AH ันธ์ธมานคือมารที่เป็นขัน <c> ธ <oughs> ์ก็คืออะไต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้ารู้ทันมันมันก็รู้ทันมันมันก็ทำอะไรไม่ได้รู้ทันความปวดรู้ทันความแก่รู้ทันความเจ็บรู้ทันแม้กร่ความตาย ไม่ต้องไปขับไล่ส่ยส่งแค่รู้เฉยๆรู้ทันอันนี้การ น, นัื่อการที่เราเราจะเราจะถากว่าเราต้องการที่จะจะเลื่องนี้เอาจากทุกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทําไม่ได้คือการที่ตระหนักว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลย แต่เราไม่รู้เราก็เลยไปยึดเอาว่าความทุกข์มันเป็นเรามันเป็นของเราความทุกข์มันเป็นของธรรมชาติมันเกิดดับตามธรรมชาติรูปร่างนามก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งกายและใจก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งขันนี่คือธรรมชาติทุกข์ที่เกิดกับขันแต่ว่าความไม่รู้เกิดไปยึดว่าเป็นเป็นทุกข์ของเรา ผู้กระดาว่าเรากำลังเอาความทุกข์ของธรรมชาติมาเป็นของเราที่ทุกข์กันมากมายทุกวันนี้ก็เพราะไปยึดไปช่วยเอาความทุกข์ของธรรมชาติมาเป็นของฉันมาเป็นของกูแล้วกูแล้วฉันก็เลยทุกข์เสียเองอันนี้ทั้งหมดนี่ก็เพราะไปความไม่รู้ที่ไปช่วยเอาสิ่งต่างๆ ม, มา เป็นของกูเป็นของฉันเราจริ ง, รงๆเราก็ไม่ต้องทำแรงมากนอกจา ก, กว่าคืนความทุกขให้ธรรมชาติไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นของธรรมชาติแล้วแต่เราไปยึดเอามาเป็นของเราสิ่งที่เราควรจะทำก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคืนความทุกข์ให้เป็นของธรรมชาติไปคืนให้คืนกลับไป เวลาบ้านเสื่อมสุดเวลารถเสียหายมันก็เป็นความความทุกข์ที่เกิดกับบ้านเป็นความทุกข์ที่เกิดกับรถแต่เพราะเราเนี่ยไปช่วยเอาไปยึดเอาวานี้บ้านของเรารถของเราความทุกข์มันก็เลยถ่ายเทมาที่เราเราไปยึดเอาความทุกข์ของบ้านความทุกข์ของรถหรือความทุกข์ของธรรมชาติเป็นของเราอันนี้จะเรียกว่าโง่หรือฉลาด แต่เมื่อการที่เรามีสติรู้เรามีปัญญาแล้วก็สลัดคืนปล่อยให้มันเป็นความทุกข์ของธรรมชาติไปไม่ใช่ความทุกข์ของเราทุกวันนี้เราไปจับไปช่วยเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นของเราทั้งที่ไม่น่ามันไม่ควรเลยร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นก็เป็นธรรมชาติ ส่วนหนึ่งดินน้ำลมไฟแต่เวลาไม่มีความเจ็ความปวดเกิดขึ้นเป็นเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ทุกข์ตามที่เป็นจริงเราก็ไปไปยึดเอาว่าเนี่ยโอ้ยเราทุกข์เราทุกข์นี่เร า, ไ, เราไปช่วยเอาไปคว้าเอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของเราก็คืนให้เป็นของของของขอ ง, ของกายไป ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ปล่อยปละลไม่ได้หมายความว่าปล่อยปล้วเลยก็แก้ไขไปรักษาไปดูแลไปแต่ไม่ใช่พอไปเกี่ยวเป็นของเราเราต้องต้องหาต้องมีสติรู้ที่จะไม่ไปหยิบฉวยเอาความสุขของธรรมชาติเป็นของเราแต่ทําอย่างนั้นได้ก็ต้องมีส จะทำอย่างนั้นได้อย่างถึงที่สุดก็ต้องมีสติรู้ว่าไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ตัวเราของเรานี่มันก็ปรุงแต่งมาตั้งแต่แรกผู้เจ้าท่านก็มอบโดยมอบวิธีอุบายวิธีในการสลายตัวตนไว้แล้ววิธีสลายตัวตนที่จริงตัวตนมันไม่เมี่ยงแต่แรกมันไม่ต้องสลายนะแต่ว่าความไม่รู้ก็ทำให้มันปรุง แต่ว่าถ้าถ้ามีสติเนี่ยตัวตนแล้วก็มันก็ละลายหายไปเองอันนี้ผมก็ตัดสอนภายยะภยยะนี่ก็เคยก็เป็นนักบวชที่เคยคิดว่าตัวเป็นอรหันต์ก็หลงตัวว่าตัวเป็นอรหันต์จนกระทั่งมีมีคนมามาบอกมีเพื่อนมาบอกว่าเพื่อนก็ตายไปแล้วามาบอกว่าเนี่ย แกไม่ใช่อรหันหรอกอรหันตัวจริงนี่อยู่ที่สาวัตถีก็คือพระบรมศาสดาพัยะก็ก็ตาสว่างแล้วก็รีบเดินทางไปหาพรุทธเจ้าทันทีเลยเดินด้วยเท้าเป็นเวลาหลายวันไปด้วยใจนี่อยากจะรับฟังคำสอนของพรุทธเจ้าเพื่อได้เป็นพระอรหรันต์ ไปถึงสาวัตถีตอนเช้าพงศ์กำลังบินธบาติภัยยาก็ไปก็ไปกราบทูลทันทีว่าขอให้พงศ์แสดงธรรมพงศ์ก็ไม่แสดงธรรมก็บอกว่าไม่ใช่การไม่ใช่เวลาภัยยาก็ยืนกราบหึงสาครั้งว่าขอแสดงธรรมเถอะเพราะว่าไม่รู้จะมีโอกาสอย่างนี้อีกหรือเปล่าเหมือนกับ พายจะมีสันสังหอรู้พระองคก็เลยแสดงธรรมก็แสดงธรรมสั้นๆว่าเมื่อใดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นแล้วก็ว่าเป็นขั้งใจรับรู้เมื่อนั้นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่ารู้ในธรมรมอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มี ไม่มีทั้งในโลกนี้ไม่มีทั้งในโลกหน้าไม่มีทั้งในโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ไพรยะได้ฟังเพียงเท่านี้ก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เลยแล้วก็รีบจะก็ว่าจะขอบุญพระองค์ก็รีบไปหาจีวรไปหาบาทมาแต่ว่าก็โดินวัวผิดตาย ก็ได้ชื่อว่าเป็นเอกทักษะที่รู้ทันแบบฉับพลันรวดเร็วแต่ว่าคําสอนที่พงได้ตรัส ก, กับพยากรณนี่สําคัญมา ก, กคือว่าเมื่อใดที่มีสติเนี่ยมันก็ใ้ตัวตนมันก็ไม่มีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าการปรุงแต่งก็ไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นในการมีสติสําคัญมาก สติเมื่อมีผสัสสะสติเมื่อมีเวทนาสติมันก็จะช่วยทําให้เรามันก็จะระงับหรือไม่ไม่ไม่เปิดโอกาสให้มีการปรุงแต่งเป็นตัวตนเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันก็มันก็เห็นความทุกข์โดยที่ไม่ไม่มีพูดทุกข์แต่ว่าธรรมดาคนเราก็จะมีสติตลอดเวลายากนะ แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่เป็นประจำเจริญสติอยู่เป็นประจำรวมทั้งการวางใจวางใจอย่างถูกต้องพยายามสังเกตเวลามีอะไรมากระทบแล้วนิสัยธรรมชาติเดิมของใจมันก็จะปรุงอัตตาเข้ามารับแรงกระทบนั้นโดยอัตโนมัติ มีคนตำหนิก็จะรู้สึกแล้วว่าก็จะรู้สึกทุกข์เพราะว่ามีตัวกูเข้ามารับแรงกระทบมันมีตัวกูมารับคำวิจารณ์นั้นก็เลยถูกรรถกระทบอัตตาถูกกระทบก็เลยทุกข์ถามว่าเราจะไม่เราจะเอาจำเป็นหรือไม่ที่เราต้องเอาอัตตามารับแรง กระแทกอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นการที่เราวางใจอย่างถูกต้องหรือฉลาดในการวางใจก็อาจทำให้เราเนี่ยก็อาจทำให้เราไม่จำเป็นต้องเอาอัตตา ม, มารับแรงกระทบอย่างนั้นก็ได้เมื่อถูกตาหนิแทนที่จะไปคิดว่าเขาว่าฉันเขาว่าฉัน ลองคิดอีกแง่หนึ่งเช <ráp> e ื่อว่าเออที่เขาพูดนั้จริงไหมการวางใจแบบนี้มันทำให้เกิดปัญญามากกว่าที่จะเกิดความทุกข์เรียกว่าเอาปัญญาออกหน้าไม่ใช่อ่าตาหน้าเวลาเกิดความเวลาของหายของเสีย ก็ลองพิจารณาดูว่าเออเขากาลังธรรมชาติกำลังสอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงให้เราเห็นหนิงธรรมชาติธรรมดางความผัดพราธรรมชาติธรรมดาของสังขารและการมีสติ รู้ทันในอาการต่างในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเป็นลบในสายตาของชาวโลกแต่ว่ามันอาจจะเป็นบวกได้เมื่อเรามีสติที่ทำให้เราเนี่ยวางจับความยึดมั่นถือมั่นคมีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านี่เป็นเพราะเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยกลายเป็นขโมย พวกเราเป็นขโมยกันทั้งนั้นนะขโมยยังไงก็ขโมยไปยึดเอาของธรรมชาติมาเป็นของเราบ้านรถยนต์ทรัพย์สินเงินทองเรานี้เป็นของธรรมชาติร่างกายนี่ก็เป็นของธรรมชาติเราไม่ได้เสกสรรมาสักอย่างเลยอย่างมากเราแค่มาเอามาเอ า, เอ า, เอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาประกอบกันเป็นรถเป็นบ้าน แต่เสาหรือไม้มันก็เป็นของธรรมชาติอยู่แล้วเหล็กโลหะก็เป็นของธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราไปตู่ว่ามันเป็นของเราอันนี้เรียกว่าขโมยขโมยจากธรรมชาติวิสัยของขโมยก็คือว่าต้องหนีนะต้องหนีต้องห น, ตงนีตำรวจตำรวจก็จะตามไล่ล่าก็เมื่อขโมยแล้วก็เลยอย่อยางไม่เป็นสุข ตอเมอคืนของให้เป็นคืนของให้กับเจ้าทรัพย์นะก็จะหายทุกก็จะเป็นอิสระได้นั้นถ้าเราคืนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ให้ทั้งห่ยของธรรมชาติไป ใ, ให้กับธรรมชาติไปไม่ใช่แค่คืนทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งร่างกายสังขารนี้ ที่จริงรทั้งจิตใจด้วยนะคืนให้เป็นของธรรมชาติไปแล้วก็อย่าลืมคืนความทุกข์ให้เป็นใ ห, ให้ธรรมชาติไปด้วยคืนความเจ็บปวดเป็นทําให้ให้กลับสู่ธรรมชาติด้วยแล้วก็จะอยู่ได้อย่างโปร่งเบาสบา ย, ยาการรู้ทุกข์นี่สาคัญมากการรู้ทุกข์การเข้าใจทุกข์เข้าใจจนเห็นความจริงมันก็จะเป็นเราก็จะอิสระไดะ้แล้วก็พอสมควรแล้ว คอยเรานั่งทำความสงบสักพัก